เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอบาสุอภาสิกาผู้ฝ่ายทรามทุกทท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สี่เมษายนงพุทธศักราช2560เป็นวันพระเป็นวันประเสริฐเป็นวนั น, วนที่พวกเราจะมาทําตัวเราทําใจเรา ให้เป็นผู้ประเสริฐด้วยการกระทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้วิธีที่จะทำใจของสัตว์โลกให้เป็นใจที่ประเสริฐให้เป็นใจที่สูงให้เป็นใจที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เพราะพระพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วจนทำให้ใจของพระพุทธเจ้าได้จเจริญขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า <Yeah. S 1> พวกเราทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลาดับ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้พัฒนากันไปสิ่งที่เราต้องมีในเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่รู้จักวิธีพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับ จนถึงขัง้นสูงสุดได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาค ว, วามรู้นี้มาเผยแต่สังสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่งอางพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธาค ว, วามเชื่อเราก็จะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าศึกษาค้อคำคำสอน จากพระพุทธเจ้ารู้จากพระอริยสมสาวกพอเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะสร้างความเจริญสร้างพระขึ้นมาภายในใจด้วยการนำเอาไปปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีเสมอก็คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนเรานาัตถิเมสรนังอัญญังบุตโตเมธรมโมเมสังโคโมเมสรณนังวารังไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้ที่จะประเสริฐเท่ากับที่พึ่งในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เราจะไม่ถือใครเป็นที่พึ่งของเราเราจะไม่ถือ ใครเป็นอาจารย์ของเราเราจะถือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ของเราเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้รู้จริง <c oughs> เห็นจริงเป็นผู้ที่เห็นทางไปสู่ความประเสริฐทางไปสู่ความเป็นพระทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือประเด็นสำคัญของชาวพุทธเรา เราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวอย่าไปเชื่อคำสั่งคำสอนของผู้อื่นถ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่ขัดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่ต้องเชื่อถ้าพ่อแม่สอนให้ไปลักทรัพย์สอนให้ไปมีชู้ไปมีภรรยาหลายๆคนไปมีสามีหลายๆคนอย่าไปเชื่อ การไม่เชื่อพ่อแม่เมื่อได้เป็นความอากติอยู่ถ้าสิ่งที่พ่อแม่สอนเป็นสิ่งที่ผิดถ้าเราทำตามสิ่งที่ผิดเราก็จะผิดและเราก็จะต้องรับโทษดังนั้นเวลาที่เราจะเชื่อใครเราต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบมากางดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้เสียเวลาอยางนั้นเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนนี้เป็นความจริงเป็นเหตุและผลทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ได้พิสูจน์มาแล้วเหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคาร แล้วจะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้เทา่านี้พอปีหน้าพอครบดอกเบีย้ยเราก็ไปเบิกเงินเราก็จะได้ดอกเบีย้ยตามที่เขาได้สัญญาเอาไว้อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้ทำแล้วจะได้ผล อ, อย่างนี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการโกหกหลอกลวงแต่คำสอนของผู้อ น, นี้ อาจจะเป็นคำสอนที่หลอกลวงได้เช่นพ่อแม่บอกว่าไปมีผัวใหม่ผัวคนนี้มันจนมีผัวใหม่มาแอไปมีผัวใหม่ทิ้งผัวเก่าโดยที่ไม่ได้มีการย่าร่างเพราะผัวเก่ายังไม่ยอมหย่าแต่พ่อแม่บอกไม่เป็นไร อ, อยู่กับผัวเก่าก็อดตายไปมีผัวใหม่ดีกว่าผัวใหม่ดีรวย อย่างนี้ก็ถือว่าผิดประเวณีทําไปแล้วเดี๋ยวผัวเก่าโกรธโกรธแค้นขึ้นมาเดี๋ยวก็ตามฆ่ากันโทษตามมาแทนที่จะได้รับความสุขกลับจะต้องเจอความทุกข์เพราะว่าผิดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีก็คือให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่คือประเพณีของมนุษย์ถ้าประเพณีของเดฉ า, านก็มีได้ มีหลายผัวหลายเมียได้ดูสุนัขเดือนเก้าเนี่ยมันเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันว่าเล่นมันเจอตัวไหนมันก็เอากันเลยแต่มนุษย์นี้เป็นผู้ที่มีความสูงกว่าสัตว์เดราาัจฉัยมนุษย์นี้เป็นผู้ที่สามารถแยกแยะผิดถูกดีชั่วได้ถ้าไม่สามารถแยกแยะได้ก็สามารถฟังคำสอนของผู้ที่สามารถแยกแยะได้ เช่นพวกเราบางคนถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจยังอาจจะเป็นเดรัจฉานอยู่ก็ได้ยังไม่สามารถแยกแยะผิดถูกดีชั่วได้เราก็ต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เรารู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสารวงแล้ว รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังจะได้แต่สิ่งที่ดีกลับมาเสมออย่างที่ท่านสอนว่าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้ารักษาศี่ห้าได้ก็จะเป็นมนุษย์จะไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นผีไม่เป็นสัตว์นรกแต่ถ้าไปทาบาปไม่รักษาศีลห้า รับรองท่านรับรองเลยว่าต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรกบ้างไปเป็นผีบ้างไปตกนรก บ, บ้างแล้วถ้าอยากจะพัฒนาใจของเราให้สูงกว่ากว่ารเป็นมนุษย์นอกจากมนุษย์แล้วเรายังมีผู้ที่สูงกว่ามนุษย์ผู้ที่สูงกว่ามนุษย์คือใครก็ขั้นที่สูงกว่ามนุษย์ขั้นที่หนึ่งก็คือเทวดาทั้งหลาย เทวดาเขาสูงกว่ามนุษย์เพราะอะไรเพราะว่านอกจากเขารักษาศีลห้าแล้วเขายัางทําบุญทําทานเขามีความเมตตาก ร, ราุณามีความสงสารมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกแห<ๆ>่งการเกิดแก่เจ็บตายเขามีอะไรมากเกินไปเขาก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไมตายไปเขาก็เอาไปไม่ได้อย่างญาติโยมอันนี้มาเป็นเทวดากัน เมื่อกี้ก็สมาทานสี่ห้าแล้ววันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์แล้ววันนี้ก็จะเอาเข้าวของเงินทองที่จะไปเที่ยวที่จะไปซื้อของไม่จำเป็นเอามาแจกใจ่ายให้กับผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าไม่มีญาติโยใส่บาตรอดตายจะไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเหลืออยู่ในโลกนี้ ถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่มีญาติโยมไม่ใส่บาตรพระสงฆ์ก็เลยเดือดร้อนกันเพราะอะไรทำรมญาติโยมไม่ใส่บาตรเพราะญาติโยมไปทราบข่าวว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้ไม่ฟังพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามัวแต่จะทะเลาะกันพระพุทธเจ้าก็ห้ามบอกอย่าทำ การแตกแยกของสงฆ์นี้ไม่ดีเป็นความเสื่อมเสียเป็นการเป็นความหายนณะของของศาสนาของที่พึ่งของสัตว์โลกสอนยังไงห้ามยังไงก็ไม่ฟังในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ถอดใจเลยหนีไปอยู่กับลิงกับช้างไปหนีไปอยู่คนเดียวให้เลงกับช้างอุปถาทารับใช้ ชาวบ้านไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่กับพระสงฆ์ก็เลยสงสยัยก็เลยสงสายสืบไปสืบดูก็พบว่าพระสงฆ์ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเมื่อพระสงฆ์ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าญาติโยมก็เสื่อมศรัทธาทันทีตัดสินใจไม่ใส่บาตพระสงฆ์มาเบญทบาทที่บ้านไม่มีใครใส่บาตแม้แต่คนเดียวพระสงฆ์เลยเดือดร้อน เลยต้องไปกราบข อ, อกมาพระพุทธเจ้าในความผิดของตอนเองที่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้านี่แหละเห็นนะั้มประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเชื่อฟังพระพุทธพธรรมพสงค์จะไม่อดตายจะเป็นคนดีจะมีคนเลี้ยงดูจะมีเทวดาคุ้มครองนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อกันวันนี้เราเชื่อพพุทธพธธรรมพระสงช์ เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะแปลว่าเราเชื่อฟังคําว่าสลาณะนี้ไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นอะไรมาคุ้มครองใจเราแต่ความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละจะคุ้มครองใจเราให้ปลอดภัยให้ใจเราไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกเพราะเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะปฏิบัติตาม ถ้าเชื่อแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่ายังไม่เชื่ออยู่ดีถ้าเชื่อแล้วต้องปฏิบัติเช่นเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้เราบอกว่าเราเชื่อแต่เราไม่ทำอย่างนี้จะเรียกว่าเชื่อได้อย่างไรถ้าเชื่อก็ต้องทำเหมือนเวลาไปหาหมอหมอให้ยามากินรับยาหมอมาเชื่อหมอแต่ถึงเวลากินยาไม่ยอกกินยาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เชื่อจริงถ้าเชื่อจริงต้องทาตามที่หมอสั่ง ถ้าอยากจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บ ก, ก็ต้องเชื่อหมอต้องกินยาตามที่หมอสั่งพ อ, อ ก, กินยาแล้วโครคภัยไข้เจ็บ ก, ก็จะหายไปถ้าไม่กินยาถึงแม้จะเชื่อก็ไม่สามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้นี่คือเรื่องของความเชื่อที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราไม่อยากจะไปอบายเราก็ต้องเชื่อแล้วต้องทำตามที่พระเจ้าสอน คือเราต้องไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดอย่างวันนี้เรามาปิดประตูอบายกันอย่างน้อยก็ปิดกันหนึ่งวันหรือถ้าไม่หนึ่งวันก็อย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงในขณะที่อยู่ในศาลานี้แต่พอออกจากศาลานี้ไปก็เริ่มโกหกกันอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อจริงตอนเย็นก็เดิมสุรากันอย่างนี้ยังเรียกว่าไม่ใช่เป็น การเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่ปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้ตกต่ำแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามได้เราก็จะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะกลายพันธ์จากมนุษย์ก็จะกลายเป็นเปรตไปกลายเป็นเดรัจฉานไป แล้วถ้าทำบ่อยๆทำมากๆต่อไปก็เลยกลายเป็นเดรัจฉานทั้งทั้งที่ร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วใจนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ใจของเราจะเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราทำบุญทาทานได้ใจของเราก็จะเป็นเทวดาขึ้นมา นี่คือการพัฒนาจิตใจการทําใจให้เป็นพระเป็นผู้ประเสริฐจะผู้ประเสริฐขั้นแรกก็มนุษย์มนุษย์นี้ประเสริฐกว่าเดรัจฉานประเสริฐกว่าเปตประเสริฐกว่าสัตว์นรกแต่ถ้าอยากจะสูงกว่า ม, มนุษย์ก็ต้องทาทานด้วยต้องแบ่งปันกันต้องเสียสละ ความสุขและประโยชน์ของเราให้แก่ผู้อื่นถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ทำให้เราเดือดร้อนเรามีเงินทองติ็บไว้เฉยๆเราก็ไม่ได้ใช้มันตายไปเราก็ออกไปไม่ได้แทนที่เราจะไปเป็นเทวดาเราก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่ทำบุญเราเพียงแต่รักษาศีลเราก็ไปได้แค่เป็นแค่กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาก็ให้ทำบุญกันเทวดาก็มีหลายชั้นทามากก็ขึ้นไปชั้นสูงทาน้อยก็อยู่ชั้นต่าเหมือนกับโรงแรมก็มีหลายดาวจ่ายน้อยก็อยู่โรงแรมดาวต่าจ่ายมากก็อยู่โรงแรมดาวสูงเหมือนกันการทำบุญก็เหมือนกันทำบุญมากน้อยต่างกันการไปเป็นเทวดาก็สูงต่ำต่างกัน นะ้ถ้าอยากจะไปเป็นเป็นขั้นที่สูงกว่าเทวดาก็คือขั้นพรมขั้นพรมนี้ก็ต้องมาถือศีลแปดกันศีลห้าไม่พอต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานที่หนึ่งได้ก็จะได้เป็นพรมชั้นที่หนึ่งพรมก็มีอยู่แปดเก้าชั้นด้วยกัน มีรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประพรมก็มีสชั้นอรูปประพรมก็มีสี่ชั้นเป็น8ชั้นถ้าเราเข้าฌานที่หนึ่งได้เราก็จะเป็นรูปประพรมชั้นที่หนึ่งถ้าได้ชั้นที่สองฌานชั้นที่สองก็ได้รูปประพรมชั้นที่สองไปตามลําดับขึ้น อ, อยู่กับกําลังสติว่ามีมากมีน้อยถ้ามีสติมากก็จะทําใจให้สงบได้มาก ถ้ามีสติน้อยก็ทำใจให้สงบได้น้อยดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ไปเป็นพรมเราต้องมาถือสิงกันอย่างวันพระนี้เรามานุ่งขาวผมขาวมาถือศิงแปด ล, ลาเว้นทำกิจกรรมของเทวดาเทวดาทากิจกรรมอะไรก็ยังเสกกามอยู่ยังร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ยังกินอาหาร เลือกหาความสุขจากการรับประทานอาหารกันอยู่กินอาหารเย็นกินอาหารข้ากินอาหารก่อนนอนกันแล้วก็ยังหาความสุขจากมหอศลศพบันเทิงต่างๆหาความสุขจากแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำผ้าทำผมให้สวยให้งามเป็นเหมือนเทวดาอันนี้ถ้าอยากจะไปเป็นพรหม <after> ก็ต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะถ้าทำสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานขึ้นมาผู้ที่อยากจะไปเป็นพรหมต้องมาถือศีลแปต้องมาฝึกสติเพราะสตินี้จะเป็นตัวสาคัญที่จะทำให้ใจสงบมากหรือสงบน้อยสงบนานหรือสงบไม่นานอยู่ที่สติเป็นหลักแล้วทำไมเราถึงอยากจะไปเป็นพรหมกัน เพราะความสุขของพรหมนี่ดีกว่าความสุขของเทวดานั่นเองความสุขของเทวดาสู้ความสุขของพรหมไม่ได้ความสุขของพรหมนี่ละเอียดกว่ามีความประทับใจมากกว่ามีน้ําหนักมากกว่ามีความอิ่มความพอมากกว่านี่คือเหตุผลที่เราอยากจะไปเป็นพรหมกัน เพราะเราจะได้ความสุขที่สูงกว่านั่นเองเหมือนกับเราเปลี่ยนบ้านเราซื้อบ้านล้านหนึ่งแล้วพอเรามีเงินหล้านเราก็ไปซื้อบ้าน5ล้านพอมีเงิน10ล้านเราก็ไปซื้อซื้อบ้าน10บล้านเพราะบ้านแต่ละราคาก็มีความสุขไม่เหมือนกันนั่นเองชั้นใดการเป็นพรหมก็เป็นเหมือนกับการไปซื้อบ้านที่ราคาแพงๆราคาสูงสุด ถ้าเป็นคอนโดก็อยู่บนชั้นเพนท์เฮาส์<ม>อยู่ชั้นสูงสุดเลย<ม>เอาทั้งชั้นเลยเป็นของเราคนเดียวอันนี้ต้องรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องมาอยู่วัดหรืออยู่คนเดียวถ้าไม่อยู่วัดอยู่บ้านก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครไม่ให้ใครมายั่วยวนกวนใจไม่ให้ใครมาชวนกินข้าวเย็น ไม่ให้ใครมาชวนไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ใครมาชวนไปร่วมหลับนอนด้วยกันอันนี้จำเป็นจึงต้องอยู่คนเดียวเพราะอยู่ใกล้กับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะชวนเราเวลาเขากินข้าวเย็นเขาก็บอกมาสิพี่มากินข้าวกันทาไมมาอดทาไมกินแล้วอร่อยมีความสุขจะตายไปมานั่งอ ด, อ, ดอยา ก, ยา ก, ยากได้อะไรนี่เป็นเพราะเขาไม่เห็นความสุข ที่เกิดจากการทำใจให้สงบว่ามันอร่อยกว่าอาหารที่กินหลายร้อยเท่าด้วยกันลดแห่งทำชนะลถทั้งวงลดของความสงบนี้ชนะลดของรูปเสียงกิ่นลดปวดทพะกันนี่คือถ้าเราอยากจะไปเป็นพรเราก็ต้องมารักษาศิ่งแปดแล้วก็มาเจริญสติเนี่ยพอ กินข้าวเสร็จนี้แล้วก็กลับไปที่พักก็ไปพุทโธพุทโธกันไปควบคุมใจอย่าให้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะเข้าฌานได้ใจจะสงบได้ถ้าไม่พุทโธพุทโธเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวใจก็คิดฟุ้งซ่านคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงลูกเสียงกลิ่นรส <c oughs> ก็จะทาให้ใจหิวโหยขึ้นมา แทนที่จะสงบแทนที่จะอิ่มก็เกับหิวโหยและอาจจะทำให้อยู่วัดไม่ได้อาจจะต้องลาศีนไปกลับบ้านไปถือศีนไปถือศีนห้าแทนแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดได้เราก็จะไม่คิดถึงอาหารไม่คิดถึงแฟนไม่คิดถึงภาพยนตร์ไม่คิดถึงที่ท่องเที่ยวต่าง ไม่คิดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเราก็ไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะสงบเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรความสุขแบบนี้มันดีตรงนี้ดีที่ไม่ต้องทำอะไรมั่งแทไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องมีภาพยนตร์ให้ดูไม่ต้องมีเพลงให้ฟังไม่ต้องมีอาหารมาให้รับประทาน ไม่ต้องมีแฟนมาร่วมหลับนอนได้สามารถหาความสุขได้โดยที่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่วา้าเหวไม่เหมือนกับความสุขที่เราต้องมีแฟนต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่เราไม่มีแฟนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นยังไงเหงาไหมเศร้าโศกเสียใจไหมเวลาแฟนทิ้งเราไปเวลาแฟนจากเราไปรู้สึกย่งไรอยากจะฆ่าตัวตายไหม นั่นแหละเป็นโทษของการที่เราไปหาความสุดทางตาหูจมกูกลิ้นกายแต่ถ้าเราหาความสุดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้นี้ใจเราจะไม่ต้องมีอะไรเวลาใครจะมาใครจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีหนังดูไม่ดูก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีละครดูไม่มีดูก็ไม่เป็นปัญหา มีเงินใช้หรือไม่มีเงินใช้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือความประเสริฐขั้นที่สามจากมนุษย์มาเป็นเทวดาจากเทวดามาเป็นพรหมแล้วถ้าอยากจะรักษาความสุขเหล่านี้ให้ถาวรเพราะความสุขระดับพรหมนี้ยังเป็นความสุขระดับชั่วคราวเวลาสติเสื่อมไป พรก็จะหายไปก็จะลงมาเป็นเทเแล้วจากเทพพอบุญหมดไปก็จะลงมาเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วถ้าศีลหมดไปก็จะกลายไปเป็นเดรัจฉานกลายเป็นเปรตต่อไปแต่ถ้าอยากจะไม่เสื่อมก็ต้องทําอีกขั้นหนึ่งคือขั้นพระอริยเจ้าเรียกว่าขั้นโลกุตตะวิธีที่จะทําให้จิตใจไม่เสื่อมจากพรหม มาเป็นเทพมาเป็นมนุษย์มาเป็นเปรตมาเป็นเดรัจฉานก็ต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่าเหตุที่จะทำให้ใจของเราเสื่อมก็คือความอยากของเหล่านี้เองความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสยังมีอยู่ในใจถึงแม้ว่าจะเป็นพรมแต่ความอยากนี้มันยังไม่ตายมันเพียงถูกฌานถูกสติกดเอาไว้ เวลาฌานหมดไปสติหมดไปความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดมันก็เลยดึงให้กลับมาเป็นเทวดาแล้วพอบุญหมดไปก็ดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อมาเสพการมาเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่อถ้าไม่อยากจะกลับมาต้องเวลาเกิดความอยากจะเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าพการทําตามความอยาก จะนำพาไปสู่ความเสือ่อมไม่ใช่นาไปสู่ความเจริญไม่ได้นาไปสู่ความสุขที่ถาวร้าอยากจะให้มีความสุขที่ได้จากชานนิถาวรก็ต้องไม่ไม่เสกกลาเวลาเกิดความอยากจะเสกกลางก็ไม่เสจอยากจะรักษาชีวิตร่างกายนี้ให้อยู่ไปก็ไม่รักษาเพราะรักษาไม่ได้ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ปล่อยมันตายไปเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็อยู่ได้มีความสุขได้เพราะเรามีความสุขจากการทําใจให้สงบพอเราตัดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่เสื่อมความสุขของพรหมก็จะกลายเป็นความสุขของพระอริยเจ้าไปเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะทําให้ใจของพวกเราไม่ต้องเลื่อนชั้นลงมาเกิดใหม่อีกต่อไป ทำให้ใจของเราได้ไปอยู่ที่พระนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวคอันนี้เกิดจากการที่เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลทาบุญให้ทานนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามารักษา ความสุขที่ได้จากความสงบด้วยการทำลายความอยากต่างๆทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรก็ไม่เอาเวลาอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเวลาอยากจะมีแฟนก็ไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งหมดต้องการเพียงอย่างเดียวคือความสงบที่เกิดและความสุขที่เกิดจากความสงบแม้แต่ร่างกายก็ไม่เอา ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปยอมตายถ้ามันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปยอมเจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะมันจะทําให้ใจเราเสื่อมลงมานั่นเองถ้าเรายอมแล้วใจของเราก็จะไม่มีวันเสื่อมนี่คือเรื่องของการมาทําใจของเราให้ประเสริฐในวันพระที่เป็นวันประเสริฐนี้ขอให้ท่านจงนำเอา สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาและไปปฏิบัติเพราะการฟังอย่างเดียวไม่นำมาไปปฏิบัติยังไม่เกิดผลถ้าอยากจะให้เกิดผลอยากจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นเทวดาอยากจะเป็นพรห ม, มอยากจะเป็นพระอริยเจ้าไม่อยากจะเป็นเปรตไม่อยากจะเป็นเดรัจฉานไม่อยากไปนรกก็ต้องนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ตามที่พูดนี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับโดยทั่วหน้าการเธอ